เห็นแสงสว่างเท่ารูเข็มเนี่ยถามว่าพอไหมใช้แสงสว่างเท่ารูเข็มในการดำเนินชีวิตบอกไม่พอควรจะมากกว่านั้นใช่ไหมบอกใช่การไปบูชาพระธาตุทั้งหลายก็นัยเดียวกันไม่ใช่ไปน่นเอาไปกราบไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุทโตแล้วพอควรที่จะเจริญอิติปิโสเป็นต้นน่นะควรที่จะสรนเริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ยนะไปสวดมนต์สรเซิแบบโบราณท่านพาว่าก็ได้ ทำทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเป็นการสันเสริญคุณพระรัตนตรัยทั้งนั้นแหละ น, นะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นก็ได้หรือไม่ก็ออกพี่สดานไปก่อนนั้นเอาพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งไปอ่านหรือสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณเป็นต้นไปกล่าวไปสันเสริญไปยกย่องเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไหว้กราบไหว้หนึ่งนาทีเราก็ได้บุญแค่นาทีเดียว ถ้าเรากราบไหว้บูชาได้สองนาทีเราก็บุญสองนาทีถ้ากราบไหว้สิบนาทีสันเสริญสิบนาทีก็ได้บุญไปสิบนาทีถ้าบูชาชั่วโมงหนึ่งล่ะก็ได้บุญชั่วโมงหนึ่งไม่แน่นะบางคนนี่บาตตั้งแต่ห้านาทีแล้วส่วนอะไรก็นักขณะวันเมื่อไหร่จะเลิกกันนะแต่ก็ถือเอาเป็นประมาณตรงนั้นไม่ได้เพราะคนในโลกก็มีทั้งคนปุฟันดีฟั น, ฟนเสียฟันเขฟันเอียงฟันสารพัดฟันใช่ไหมก็มาจากไหนก็มาจากมิจฉาวาจานั่นแหละ นะนะไม่งั้นเนี่ยหมอฟันตกงานหมดถ้าคนพูดแต่ว่าจีสุจริตใช่ไหมแต่เนี่ยเราก็รู้ว่าเออเนี่ยธรรมดาเพราะคนที่มีวัจจิธุเจริญก็มีอยู่เนี่ยนะเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะไปเอาปากปากที่กลืนเบ็ดของมารเป็นประมาณไม่ได้หรอกเอาคนที่เขาสรรเสริญบูชาพระรัตนะตรายเป็นประมาณเนี่ยนะปัน้นโดยเฉพาะว่าพระเกี่ยวแก้เนี่ยระลึกไว้เสมอเลยว่าเนี่ยพระธาตุเหล่านี้นะเคยเป็นที่ตั้งแห่ง พระพุทธคุณถ้าเป็นพระธาตุทั่วๆไปเนี่ยเออเนี่ยพระธาตุเหล่านี้นะอย่างสมมติพระธาตุแขนขาพระธาตุพระบาทเป็นต้นนี้ที่เป็นที่เคยรองรับพระสรีระเป็นที่รองรับพระพุทธคุณพระธาตุส่วนไหนก็ช่างเถอะเราก็สามารถที่จะเจริญพุทธานุสติได้ทั้งหมดเนี่ยนะพุทธานุพุทธคุณทั้งในศรีระคุณพระพุทธคุณพระปุพพจริยาคุณไประลึกถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นถ้าระลึกเท่าไหร่ก็ ก็เป็นบุญของเราใช้เวลาสิบนาทีก็เป็นบุญสิบนาทีถ้าชั่วโมงก็เป็นบุญชั่วโมงหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาไปไหว้มาแล้วพอแล้วมันก็ทีทานข้าวแล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้บ้างบอกทานมาแล้วเนี่ยนะเมื่อวานก็ทานเมื่อปีก่อนก็ทานบัตรนี้เป็นต้นไปข้าวกับน้ําบอกเลิกกันทีนะ ท, ท, ทีทีอย่างนี้ทําเป็นอะไรนะไม่เห็นบอกว่าแล้วเลยใช่ไหมเอ้เมื่อไหร่จะถึงเวลาอาหารส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนี้กันชั้นใดทําไมเราไม่แบบฝากฝ่ายในการเจริญกุศล เท่านั้นเนี่ยนะหร um. ือว่าเบื่อบุญซะแล้วเนี่ยนะพระองค์บอกว่าอย่ากลัวบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขเนี่ยนะเพราะบุญเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมปรายาพบถ้าเราเกลียดบุญก็แปลว่าเราเกลียดความสุขถ้ารังเกียจบุญก็รังเกียดความสุขแล้วบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราเขาบอกว่าใจชั่วขณะลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะมันคิดอะไรได้เยอะแ ย, ยะไปหมดเกิดดับรวดเร็วชั่วลัดนิ้วมือนหนึ่งเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะ จ, จิตเอ๊ะถ้าเราบาปวันหนึ่งแล้วมันก็บาปเท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 คุณภาพบาปมันก็เหมือนกับน้าทะเลที่ดื่มกินก็ไม่ได้บุญถึงจะน้อยท้าจเจริญได้นิดหน่อยมันก็เหมือนกับน้าที่น้ำโอสถที่เป็นยาดับกระหายรักษาโรคเป็นน้ำที่ดีและมีคุณค่าพันทำยังไงให้จิตมันเป็นบุญหาโอกาสให้จิตเป็นบุญอย่าเบื่อหน่ายที่จิตจะเป็นบุญบางคนก็บอกแหมยอยากจะทำบุญให้มสมบูรณ์เต็มร้อยขาว่างั้น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 ไม่เห็นหนักใจอะไรยุงบินกวนมีไหมแมลงวันตอมีไหมมีก็ทำไมเราไม่เห็นหนักใจอะไรเลยแล้วคนบางคนพูดแล้วทำไมแม้เก็บไปคิดถ้าคิดคำพระพุทธเจ้าขนาดนี้บรรลุไปนานแล้วนะที่อย่างนั้นแ ล, ล้วใส่ใจหรือเกิเนี่ย น, ะนีเราก็มาคิดว่าเออคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าคิดนะเราคิดถึงคนอื่นก็คิดได้ตังเยอะแยะทำไมจะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ นะจำคำของคนทั่วไปเราก็จำเรื่องราวของเขานะจำได้เยอะแยะไปหมดเลยแม้เขาบอกว่าหัวเขาไม่ดีจำเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้เว้นไว้แต่เรื่องคนอื่นอย่ง น, น, นั้นน่ะนะเล่าไปเรื่องนกเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องมาเรื่องอะไรเล่าไปสามชั่วโมงแล้วไม่มีจบเนี่ยนะชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปชั่วโมงที่สองเข้ามาอีกชั่วโมงที่สามก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่เาเล่าได้ไม่รู้จักเบื่อจากไหนก็แปลว่าจำแม่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไว่าใช้พลังงานผิดประเภทใช้ทรัพย์ผิดประเภท แทนที่จะซื้อยากลับไปซื้อยาเสเติดเนี่ยนะมันคือใช้ผิดประเภทฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนการความคิดของเราทํายังไงจะให้คิดเรื่องพระพุทธเจ้าได้บ่อยที่สุดบอกว่ไม่มีเวลาอ่านพระตไตรปิฎกแต่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เอางี้ละกันก็อ่านอย่างละครึ่งกันละกันเนี่ยนะอ่นเสปกติอ่านหนังสือพิมพ์ชั่วโมงหนึ่งนะอ่ะอพระไตรปิฎกเริ่งชั่วโมงหนังสือพิมพ์เริ่งชั่วโมงไงก็มาแบ่งแบบนี้ก็ได้อ๋อไหนๆก็แบบทิ้งเลยไม่ได้นะก็แบ่ง ชั้นใดก็ดีเอาคิดถึงคนอื่นก็ยังคิดเอาก็แบ่งคิดถึงคนอื่นสักครึ่งหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งไปหารเอาเลยเนี่ยนะเอาสมมติคิดมัวให้ไม่ได้เราคิดถึงลูกเอาก็คิดถึงลูกครึ่งหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเอาก็มาค่อยๆแบ่งเวลาอย่างเงี้ยขณะลดค่าใช้จ่ายบาปอันอื่นๆออกไปเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นถ้าคนที่เก่งจริงๆเลยจริงๆก็ไม่มีปัญหาคิดถึงใครก็คิดไปเถอะเพราะเขาจําคําสอนได้หมดเขาคิดถึงใครก็ได้บวกกับคําสอนเสมอ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 ประกอบอาชีพและดํารงอยู่ในโลกได้แล้วคนที่ทําบุญทําไมไม่เจริญอริยทรัพย์ไม่ได้จากทุกอารมณ์แล้วก็ทุกสิ่งละ่ะ น, นะคนที่เขาฉลาดเขาหาโภกทรัพย์ได้จากทุกอย่างคนที่เจริญกุศลธรรมก็ต้องหากุศลได้จากทุกอารมณ์นั่นแต่แต่ว่าเบื้องต้นต้องศึกษาให้พอก่อนเมื่อเรียนจนพอเข้าใจมงคลเป็นต้นในชีวิตจริงแล้วก็ทุกอย่างก็เจริญได้หมดเลยนะเจริญพุทธคุณจําอิตธิปิโสได้หมดเนี่ยนะ เขาบอกว่าคิดถึงใครยังร้องเพลงตามประกอบได้ด้วยใช่ไหมอ้าวแล้วเราทำไมคิดถึงใครแล้วอิทิพิโสรประกอบบ้างไม่ได้เนี่ยนะอ้าวก็นึกถึงพระธรรมเป็นต้นประกอบได้บอกหรือไม่บอกอุ้ยแบ่งแบ่งสมาบอกทําทเป็นแบ่งนะขอให้มันแบ่งจริงๆเถอะเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าคนที่นจริงๆอ่ะนะเขาจะไม่ปล่อยให้จิตไปเป็นบาปง่ายๆพร้อมที่จะเจริญกุศลแลรทำได้กับทุกอารมณ์กับทุกเรื่องโดยที่สุดคิดถึงผมเป็นกุศลได้ไหม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 ร้อยปีของเราเนี่ยช่วงเวลาร้อยปีเนี่ยวายสักครั้งหนึ่งไม่ได้หรือแล้ ว, วายให้มันทุกวันนั่นแหละทุกวันของดาวบดึงนะจะจะให้เดีวยวาทุกวันมนุษย์ได้ก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าไปวาทุกวันของดาวบดึงได้ก็ยิ่งดีเลยทุกร้อยปีต้องวาพระธาตุใหได้ต้องตั้งอัตตสัมมาปณิทิไม่อย่างนั้นนะไปอยู่ที่นั่นกมวแต่ไปชมดอกอะไรนะดอกแครไฟอยหมดเวลาแล้วเนี่ยนะไปเจอดอกแครไฟอยดอกอะไรนะดอก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 เจ้าทั้งหลายก็อนุญาตแล้วแต่ท่านอาจารย์เธอเนี่ให้อาจารย์ไปสร้างพัฒน์อะไรนะไปสร้างพัฒฐุบันจุบัณุท น, นานฝ่ายเจ้าโมริยะมาทีหลังเพื่อนแต่จริงก็ทรงทูดมาเตรียมการรบเหมือนกันเอาเขาแบ่งไปหมดแล้วรบเอาอะไรกันนี้ก็เลยให้สร้างอะไรก็เลยได้อะไรไปได้อังคารคือขี้เท่าไป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 ในระหว่างทางนี่ก็ทําทางให้กว้าง8ดอุสภะปราพื้นให้เรียบทำให้ให้มีการบูชาแม้ตลอดหนทาง25่สิบห้ายอดเช่นเดียวกับที่เราเจ้ามาละเนี่ยทำการบูชาระหว่างมากุฏพันธนะเจดีและสันธาคารเนี่ยนะเพราะฉะนพวกเจ้าเหล่านั้นบูชาอย่างไรพวกเราต้องบูชามาอย่างนั้นแหละตั้งแต่เมืองกุศินาราจนถึงเมืองราชคฤชคระองก็ขยายไปในระหว่างตลาดในที่ทุกแห่งเนี่ยนะ